บางคนประมาทโดยมีความคิดแบบก้ากึง่งยังไม่ปักใจเชื่ออย่างเต็มที่แต่ก็รู้ว่าบุญกุศลก็ดีการรักษาศีลก็ดีคือการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ เอาไว้ก่อนยังเพลิดเพลิน อ, อยู่กับทรัพย์สมบัติและการทำมาหากินยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงสิ่งผูกพันต่างๆอยู่เรื่องฐานศีลภาวนาก็อยากทำจริงๆเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ได้แต่คิดถึงจะทำบ้างก็ทำได้ไม่เต็มที่เสียทีจนที่สุดอาจจะตายเสียก่อนทั้งที่มีโอกาสแต่ก็ปิดโอกาสนั้นด้วยความประมาทของตนเอง บางคนประมาทเพราะอยู่ในฐานะร่ำรวยเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นจนไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องบุญบาปหรือการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรเมื่อตายไปแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ในโลกมากมายบางครั้งก็เลยเป็นสาเหตุให้ลูกหลานทะเลาะกันใหญ่โตเพราะทรัพย์สมบัตินั้นบางคนประมาทเพราะ อยู่ในฐานะยากจนจิตพวงอยู่กับการทำมาหากินและการแสวงหาทั้งการศึกษาเรื่องธรรมก็ไม่เข้าใจเท่าที่ควรและเป็นคนหัวดื้อทิฐิสูงบุญนานๆก็จะได้ทำเซตีแต่กรรมเรื่องการผิดศีลก็ทำอยู่บ่อยๆตายไปก็มีโอกาสตกต่ำมากกว่า บางคนประมาทเพราะจิตไม่เข้มแข็งพอที่จะออกจากความหลงผิดที่ถูกครอบงามด้วยผลของบาปกรรมที่เคยทําเอาไว้ก็จัดว่ามืดมาแล้วก็มืดไปบางคนประมาทเพราะคิดว่าคงยังไม่ตายง่ายก็เลยยังไม่ได้ทําบุญทากุศลและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังรอไปรอมาก็ตายเสก่อนก็มีบางคนบวชเป็นพระเนน หรือนักบวชทั่วไปใช้ชีวิตอยู่ในเพศนักบวชที่คนส่วนใหญ่นับถือและยกย่องก็เลยดำเนินชีวิตแบบประมาทศีลไม่ตั้งใจรักษาอย่างจริงจังทรรมก็ไม่สนใจปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่กินอาหารชาวบ้านและสะสมทรัพ ส, สมบัติทั้งเลิดเปลืนในสิ่งล่อใจต่างๆโดยไม่สร้างความดีในธรรมมวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ เมื่อตายแล้วผลกรรมตามมาใครจะช่วยท่านได้เพราะตอนมีชีวิตเป็นนักบวชที่ใกล้ชิดทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมเหมือนทัพพีตักน้ำแกงแต่ไม่รู้รสน้ำแกง ทั้งคนประมาทเพราะสมบูรณ์ด้วยลาบสการะและยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งคนยกย่องก็มีมากก็เลยเพลิดเพลินในสิ่งแวดล้อมต่างๆจนลาดเลยในการประพฤติและการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อความตายมาถึงบุญกุศลที่แท้จริงมีน้อยคงไปลำบากพอสมควรยศและลาบหาไปไม่ได้แน่ คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็าไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามายาวัวแต่ประมาทยามัมแต่สนิทชิดชอบในกามเพราะผู้ไม่ประมาท พิจารณาธรรมอยู่ย่อมถึงบารมสุขคืนวันผ่านไปเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีจงเตรียมสเสบียงคือบุญกุศลพร้อมกับชำระจิตให้สะอาดที่สุด และให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัยแล้วก็จะได้ไม่เดือดร้อนในภายหน้าสเบียงที่ใช้ได้เฉพาะในชาตินี้พวกทรัพ์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆเช่นเงินทองที่ดินบ้านรถสเบียงประเภทนี้เวลาตายไปแล้วนำติดตัวไปไม่ได้จะมีประโยชน์ก็ตอนใช้งานในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นสมบัติผลัดกันชม ส่วนข้อดีของสเสบียงพวกนี้คือเพิ่มความสะดวกสบายและบางครั้งทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้และสามารถแปลงเป็นทุนไว้ใช้ในชาติหน้าได้คือการบริจาคทานเช่นสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สืบทอดศาสนาหรือบริจาคช่วยสังคมและช่วยส่วนรวมต่างๆส่วนข้อเสียของสเสบียงประเภทนี้คือทาให้จิตเกิดความยึดถือผูกพันจนจิตเป็นทุกข์ และเศร้าหมองได้ถ้าตายตอนจิตเศร้าหมองนั้นก็เป็นอันตรายมากเพราะจะนำไปกําเนิดในที่ที่ไม่ดีสเบียงที่ใช้ได้ในชาติหน้าและชาตินี้คือผลของความดีที่เป็นกุศลต่างๆเช่นทานศีลภาวนาและอริยรัพ์มงคลสามสิบแปดประการสิ่งพวกนี้เป็นกุศลทั้งสิ้นส่วนข้อดีคือส่งผลเป็นความสุขความเจริญ ความสงบเย็นในด้านจิตใจทั้งชาตินี้ชาติหน้าจนถึงพระนิพพานส่วนข้อเสียคือบางคนเวลาทำความดีหรือปฏิบัติธรรมต้องใช้ความอดทนต้องเป็นคนผู้ฝึกฝนลดละขัดเกลากิเลสต้องใช้ความเพียรพยายามสู้กับความเคยชินของกิเลสในใจตนอ่านหนังสือแล้วอย่าลืมอ่านใจตนเอง การอ่านหนังสือนั้นได้ความรู้ได้ความจำมากขึ้นก็จริงแต่ความรู้ความจาในลักษณะนี้ถึงจะมีมากสักเท่าใดก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้บางครั้งจำมามากแต่สิ่งที่จำมานั้นอาจจะผิดหรือถูกก็ได้เหมือนกินอาหารเข้าไปแต่อาหารมันไม่ย่อยก็อาจจะเป็นโทษได้เหมือนกันหรือรู้มากก็ยิ่งคิดมากจนจิตฟุ้งซ่าน หาความสงบได้ายากเป็นปัญญาแบบโลก <ay> โลกไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมเป็นที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห Still, to learn to learn ่งจิตเมื่ออ่านหนังสือพอรู้แนวทางในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอควรแล้วก็ต้องปฏิบัติโดยอ่านใจตนเองด้วยการอ่านใจตนเองก็คือให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคุณ หรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษก็ควรจะลดละออกไปถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์เรื่องบุญกุศลก็ควรจะทำให้มากเพิ่มพูนขึ้นไปเช่นจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตมีความโกรธมีความขัดเคืองก็รู้ว่ามีความหลงมีราคะมีความพอใจไม่พอใจก็ให้รู้จิตจะรับรู้สิ่งใดให้รู้ด้วยเหตุผลในทางธรรมควบคู่ไปด้วย เป็นการรู้ด้วยสติปัญญาเป็นการต่อสู้กับกิเลสและต่อสู้กับความเคยชินที่ชอบตามกระแสโลกผู้ใดตามดูจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารการตามดูจิตรู้จิตเห็นจิตเข้าใจในจิตของตนเองด้วยสติปัญญาในหลักธรรมเป็นไปเพื่อลดละให้ห่างไกลจากบ่วงของมารคำว่ามาในที่นี้ก็คือกิเลสมาร โลภกรดหลงที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองเมื่อไม่ปรารถนาความทุกข์ก็อย่าสร้างเหตุของทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจดูก่อนอานนท์ทมอย่างหนึ่งคืออนาปานสติสมาธิภิสุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อันภิษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมอยังโพุทชงเจตให้บริบูรณ์พุทชงเจตอันพิกสุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์บางแง่มุมจากการปฏิบัติ ประเทศไทยคนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาและได้รับการปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กให้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพแบบผิดบ้างถูกบ้างตามเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันการเคารพ บ, บูชาพระพุทธบางคนทำการบูชาพระพุทธพระพุทธรูปด้วยการนำวัตถุสิ่งของไปบูชาเช่นนาอาหารหวานข่าวผลไม้น้า ดอกไม้ทุกเทียนหรือนําสิ่งต่างๆไปบูชาโดยคิดว่านี้คือการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญในอา ม, มิสซบูชานี้แต่การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนั้นคือการปฏิบัติบูบชาเพราะการปฏบิบัติบูชานี้มีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นไปเพื่อความสุขและเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ การปฏบิบัติบูชาหรือธรรมบูชานั้นคือการบูชาด้วยการกระทําที่เป็นกุศลทางกายทางวาจาทางใจตั้งแต่เป็นผู้มีเมตตาในการรักษาศีลเพราะศีลเป็นคุณสมบัติของคนดีและยิ่งผู้ฝึกจิตโดยการเจริญกรรมฐานด้วยยิ่งจัดว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ การบูชาพระธรรมก็คือการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมในาศาสนาพุทธจึงถึงจุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นพระสงฆ์กายจะบวชหรือไม่บวชก็ตามแต่การบวชทางใจจนความเป็นสมเกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นใจที่ประเสริฐนั้น คือพระสมที่แท้จริงจะใส่ผ้าสีแดงสีเหลืองสีดําสีขาวนั้นไม่สําคัญขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเหตุปัจจัยเรื่องของใจที่บริสุทธิ์นั้นสําคัญกว่าหลักการสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาคือทำสามประการที่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทํำบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อม การชำระ จ, จิตของตนให้ขาวรอบคนส่วนใหญ่ในโลกถ้าถามกันว่าทุกวันนี้ดำเนินชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ละคนจะตอบเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่คนส่วนใหญ่ก็จะตอบแบบวนอยู่ในวัฏฏะไม่พ้นจากอัตตาหรือเป็นไปเพื่อตัวเราของเราที่สุดก็เวียนว่ายตายเกิดสูงบ้างต่ำบ้าง ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ถ้าผู้ดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการดําเนินชีวิตต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตชําระจิตของตนให้ขาวรอบคือสะอาดบริสุทธิ์ว้มุติสภาวะจิตที่ขาวรอบนี้จะเป็นที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธอย่างแท้จริงปรับพื้นฐานรองรับสภาวะธรรม ที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคือสภาวะธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติดังพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตถึงผู้มีที่เกาะชายจีวรของพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบสภาวะธรรมผู้นั้นก็จัดว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่ถึงไม่เคยพบพระพุทธเจ้าทางเนื้อนหนังแต่ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมจนพบสภาวะธรรม อย่างนี้ก็เปรียบได้เหมือนกับว่าพบพระพุทธเจ้าการพบนี้เป็นการพบด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อวิมุติคือความหลุดพ้นคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมที่ควรมีคือหนึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายสองเป็นผู้ที่มักน้อยสามเป็นผู้สันโดษสี่เป็นผู้กำจัดห้าเป็นผู้ขัดเกลาหกเป็นผู้เรียบร้อย เจ็ดเป็นผู้ไม่สะสมและแปดเป็นผู้ที่มีความเพียรนี้จะสรุปกิจกรรมพวกนี้กลับหน้าไปเลย